josho.net ในความฝันนั้นเป็นแค่ลององใจดีไซ่อนไว้คงทไม่ได้ ไ, ไกความจริงไม่ใช่แค่เียพาพ